โอ้นี่มันเข้าถึงจิตใจจริงๆธรรมะ่มันเข้าถึงจิตใจจริงๆยอมรับกับเหตุการณ์ได้โดยใจไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้ายังรู้แล้วยังยอมรับไม่ได้นี่มันแค่เฉียดนะเฉียดมากแล้วก็เฉียดบ่อยมากฟังทีไรก็เฉียดทุกทีแต่เวลามีอารมณ์มากระทบตีไรพังทุกทีแล้วมันธรรมะยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่แต่ไม่เป็นไรหรอกธรรมะมีความเข้าใจหลายอย่าง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 มารู้ที่กายเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนเห็นไหข้าวเบเครื่องอยู่นี่ชั่วคล้าวนะอย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปตรึงอย่าเข้าไปแน่นอย่าเข้าไปยึดอยู่แบบชั่วคลาวแบบเนี้ยเนี่ยสาราปันมีเนี่ยเนี่ยเรามาอยู่ชั่วคล้าวนะเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปการมารู้กายเนี่ยก็รู้แบบชั่วคล้าวเอากายมาเป็นเขาเรียกวิหารละทำเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนถ้ามันเกิดมีความคิด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 มันยังไม่ใช่ของจริงเราเอามาใช้ก่อนโอ้นี่มันเป็นไม้เด็ดให้คนอื่นเนี่ยอาจใช้ประโยชน์ได้หลวงพ่ อ, พอคําเขียนสุวรรณโนเนี่ยท่านให้ไม้เด็ดเด็ดเอาไว้ถ้าบอกเวลามียดิธรรมเนี่ยไปถามท่านเรื่องการเจริญสติเวลาทำไปเนี่ยมันมีอารมณ์แบบเนี้ยแบบเนี้ยหลวงพ่ อ, พอจะทาอย่างไรเวลาทำแล้วมันเกิดความคิดมาก จะทำอย่างไรเวลามันง่วงมากจะทำอย่างไรมันเบื่อมันเซ็งมากจะทำอย่างไรหลวงพ่อพูดประโยคเดียวว่าอย่าเข้าไปเป็นมันโอ้หนี่ไม้เด็กของหลวงพ่อนะอย่าเข้าไปเป็นมันโอ้วันนี้หนูเบื่อจังเลยฮะพ่อบอกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่วันนี้เห็นมันเบื่ออย่าเข้าไปเป็นมันวันนี้หนูง่วงเปลี่ยนใหม่เปลี่นใหม่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 เราเป็นนักปฏิบัติถ้าอยากเข้าไปเป็นมันเนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติก็ไม่มีนะอย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ยเพราะเป็นไม้เด็ดที่ผ่านตลอดหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นฟรีเวย์ผ่านตลอดเลยลองใช้ดูสิอย่าเข้าไปเป็นมันอันเนี้เป็นไม้เด็กของหลวงพ่อผมเองก็ได้ใช้บ่อยๆใช้โดยที่ไม่รู้ตัวมากกว่ว่าเราใช้ไม้นี้เลยเพราะว่าได้ยินได้ฟังได้อ่านจากหลวงพ่อที่ท่านสอน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 ปรับปรุงตัวเองให้มีชีวิตที่ดีที่สุดจะทำอย่างไรในยามนั่นไม่มีอะไรดีนอกากการปฏิบัติธรรมแร้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่เป็นการแก้ปัญหาชีวิตโดยตรงเป็นการดับทุกข์ทุกข์มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้องรีบดับทุกข์ก่อนเหมือนไฟที่ไหม้วันศิ้นส า, าต้องรีบปัดรีบปรับกข์ันรีบปฏิบัติธรรมนั่นเองมันดีตรงเนี้มีบางคนเนี่ยคยย่ทว่ป่าสุโกโตนะย่อยธรบางท่านเนี่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 ทำไมไม่ปฏิบัติที่จิตใจเราล่ะเรามีปัญหาที่ใจใช่ไหมเขาบอกว่ามันอดช่วยเหลือเขาไม่ได้ใช่ไหมอดช่วยไม่ได้มันก็ดีนะแต่มีสิ่งที่ดีกว่านั้นอ่ะมาปฏิบัติธรรมไฟกําลังไหม้สีสะแล้วทําไมถึงไม่รีบปัดวัวไปทําอย่างอื่นอยู่บอกว่าคุณลองทําอย่างงี้สิคุณลองทอําทตัวเป็นคนพิการบ้างสิคนพิการเขาไม่ต้องทําอะไรนะ เขาทำไม่ได้ลองทำดูสิแม้คุณจะขยันเรื่อยไปแหละคนพิการก็ต้องทำงานเหมือนกันแต่ทำความรู้สึกตัวเป็นงานหลักทำตรงนี้ก่อนสิมันจะได้ไม่ต้องไปขยันทำสิ่งอื่นก็แนะนำเข้าไปนะ <g ül> <g ül> ให้เห็นประโยชน์อุตส่าออกจากบ้านเรือนไปอยู่วัดแล้วไปทำอะไรกัน <g ül> <g ül> ใช้วัดไม่เป็นประโยชน์เลย <g ül> <g ül> ใช้วัดไปทำงานอยู่บ้านก็ทำได้ทำไมไม่ไปฝึกทำจิตทำใจให้มันพ้นทุกข์ล่ะ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 ดูเห็นไม่เข้าไปเป็นโอ้นี่มันไม้เด็ดของหลวงพ่อเนี่จับไม้เด็กของหลวงพ่อมาใช้ดูแล้วเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นดูแล้วเห็นนี่เป็นวิปัสนาแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเป็นผลนะโอ้เลยหลุดมาตรงเนี้ตรงไม้เด็กของหลวงพ่อเนี่ยโดยที่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบมาเลยนะเราทําไปเราสงสัยอย่าเพิ่งถามทําไปเรื่อยมันได้คําตอบ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 ทำท่าโทรศัพท์ทำท่าแอคชั่นต่างๆมันแสดงโชว์ไอ้เราก็ดูมันเพลินมันก็แสดงโชว์ให้เราดูเพลินมันหมดเรื่องโชว์เดี๋ยวมันก็แก้ผ้าโชว์พอเราไปตามดูคนบ้าเหมือนตามดูความคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเวลาเป็นละครบทยาวหาที่อวสานไม่ได้พอเราไปให้ค่ายความสัมพัน์มันอย่าไปตามดูมันพอรู้เห็นแล้วก็ยิ่งไปรู้เรื่องราวของมันเนี่ยยิ่งยาวไม่จบเรื่องความคิด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 ก็อยากให้มันคิดดีๆที่เป็นกุศลแต่มันก็ไม่คิดยตางที่เราอยากมันคิดทีไรเราเจ็บทุกทีเรามาเจาสติอยากให้สติรู้บ่อยๆเกิดบ่อยๆแต่มันก็ไม่เกิดแสดงว่าเรื่องของจิตเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่าอะนัตตาเพราะนั้นเราเลิกเชื่อมันสัทีอย่าไปเชื่อมันรู้มันเห็นมันอย่าไปเชื่อมันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นมัน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 ธรรมะมันเฉียดใจอะมันไม่เข้าถึงใจอะมันก็ว่างไม่ได้ทำไมจึงว่างไม่ได้แม้ว่าเราฟังและเข้าใจแล้วมันเกิดจากสัญญาใจเราสัญญาใจเราที่มันยึดมั่นถือมั่นตัวตนเนี่ยมันไม่ขาดถ้าสัญญาใจเรามันขาดแล้วก็จิตมันก็หลุดได้ความเป็นตัวเป็นตนมันไม่ขาดใช่ไหมออาลมมันฉุนคือคือมานี่มันก็เป็นตัวลอยวิเดีย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 เดี๋ยวผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหวังไงนะ